เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีโทรเข้ารายการวิทยุที่เชียงใหม่ย้อนกลับไปในช่วงปลายปีพุทธศักราช2539มีรายการวิทยุรายการหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้โทรไปเล่าเรื่องผีในเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนเรื่องราวก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่ง ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆที่ชวนสยองเกิดขึ้นจนทำให้ผู้ฟังท้งบ้านและดีเจในคลื่นวิทยุต่างไม่มีวันลืมเหตุการณ์ที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าของคืนหนึ่งได้มีคนโทรเข้ามาเพียงไม่กี่สายและดูเหมือนจะไม่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งได้โทรเข้ามา เธอไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกว่าโทรมาจากที่ไหนในสายมีเสียงรบกวนดังซาซ่าซึ่งเหมือนมีคลื่นรบกวนการพูดจาของเธอและเธอก็เหมือนเป็นคนเงียบๆแปลกๆและเธอก็เริ่มเล่าเรื่องในสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานั้นหญิงสาวคนนั้นได้เล่า ว, ว่าหนูทํางานกลางคืน เลิกดึกมากหนูขี่รถเครื่องมาทำงานซึ่งน้ำเสียงยันยานจะเหมือนผีก็ไม่เชิงน้ำเสียงของเธอมีความเยือกเย็ยนแบบแปลกๆจนดีเจต้องกระตุ้นให้เธอเล่าเป็นระยะๆและเธอก็เล่าต่อว่าคืนนั้นหนูเลิกงานประมาณตีหนึ่งขี่รถกลับบ้านทางดอยสะเก็ดมันมืดมาก แล้วหนูก็เจอมันซึ่งหลังจากนั้นเธอก็สะอื้นเบาๆแล้วเสียงก็เงียบไปจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นผู้ช่วยดีเจพูดด้วยเสียงสั่นๆแว่วๆออกมาว่าพี่มันแปลกๆหนูจะไม่ไหวแล้วนะหลังจากนั้นเสียงผู้หญิงในสายก็เริ่มร้องไห้ร้องสะอึกสะอื้นฟังดูหอยหวน แล้วเธอก็เล่าต่ออีกว่ามันตามหนูมาแล้วมันก็แล้วมันก็นกค่าจากนั้นก็มีเสียงของผู้ช่วยดีเจร้องมาว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วแล้วก็มีเสียงผู้ชายบอกให้วางเลยวางเลยวางเลยมีเสียงเอะอะโกรงครามในห้องส่งเสียงร้องไห้จนคนทางบ้านได้ยินหมด จากนั้นดีเจก็พูดอะไรสักอย่างและตัดเข้าเพลงไปในเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญของชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ชอบฟังรายการนี้อยู่ต่างมาเล่าเหตุการณ์กันว่าเมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานรายการนี้ก็ต้องหยุดพักไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากมีการพบศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าทิ้งที่พงหญ้าข้างทางบนถนนสายเชียงใหม่โดยสเก็ดจากสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วเยือเป็นผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนแถวไนบาซ่าซึ่งคาดว่าน่าจะถูกพวกถีบรถล้มแล้วฆ่าชิงทรัพย์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของชาวเชียงใหม่ ที่เป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมากว่า20ปีแล้ว